ก็จากนั้นก็แปดโมงครึ่งถึงสิบเอ็ดโมงก็เป็นช่วงเวลาของการปฏิบัตินะปรมาณสองสามชั่วโมงครึ่งจากสิบเอ็ดมงถึงเที่ยงนี่ก็เป็นช่วงทานทานกลางวันนะเป็นอาหารหนักจากท่วงเที่ยงถึงบ่ายโมงก็จะ ท, ทํเคราะส่วนตัวนะ ท, ทํเคราะส่วนตัวล้างตัวล้า ง, างจาม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 <Jub ilee> บางวันอาจจะเลิก <cider> ก่อนนิดหน่อยดูเดี๋ยเวลาฟังธรรมทำธรรมปัญหาต่างๆจบภายในสามทุ่มสามทุ่มถึงตีสามนี่หกชั่วโมงสาหรับผู้ใหญ่น่าจะพออแต่ถ้าหากว่ายังไม่เข้มแข็งกรรมฐานยังไม่เข้มแข็งพอก็ตีสามครึ่งถึงตีสี่ก็ล้วแต่ช่วงไหนก็ได้แต่ตีสี่ครึ่งถึงตีห้านี่สําหรับคนที่เข้มแข็งก็ออกมาทําโยคะ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 ก็นั่งให้มันถึงที่สุดโดนไ่สุดไหนทุกปวดขาเนี่ยนั่งพอมันถึงที่สุดของมันแล้วที่สุดโรงไหนที่สุดที่กายกายที่มันทุกข์มันทุ่สุดองมันคือทนไม่ได้แนั้นแหละแต่ทนได้อยู่แสดงว่าไม่สุดแต่ทนไม่ได้เมื่อไหระนั่นมันสุดละอ่าเข้าใจไหมยัยน้อย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 ได้แม่ครัวมาพร้อมเลยแม่ครัวนี่ได้มาเต็นแม่ครัวให้ก็โยงอยู่ที่นี่นานแล้วนนนเนาะสองปีแล้วนะอสองปีก็จะอยู่ไปอีกนานไหมอ๋อเราไปเขียวอ๋อเราเขียวฮะ <laughs> แม่ตายก็ไม่ได้กลับพ่อผ่าตัดโรคหัวใจด้ ย, ดยอ๋ อ, อ, อได้กลับเลยเอยาาอ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 พิมพาก็เป็นแม่ครัวเพราะนั้นโยม อ, อยู่ที่นี่อยากให้โยมได้ประโยชน์มากที่สุดเพราะว่าดูแลพระมานาล้วควรจะได้อา น, นิสงอา น, นิสงที่หลงพ่อให้คือใช่แต่ไม่ใช่คอดนี้แต่คอดนี้ถึงจะรู้ว่ายอมเข้าจริงไม่จริงกี่แล้วพิสูจน์ด้วยนะตอนเช้าต้องขาวท่นเก่งอ๋อเลยเขอดูแลทั้งเก่งด้วยนะ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 เปนกับหมอจำนองว่าไงให้มาได้ไหมหมอเป็นกับหมอจำลงจะมาบันทิพหลังจากเพลงหมอบอกว่าให้เอาเป็นไมให้เขาเขามีกันสคนออนะเขามาสี่คนนะตรงนั้นพอดีหมอเลยตรงนี้เออน่ะได้ให้จะหมอหมอจะลงไปทางนน้นไปทางคนอิน่นอะผู้ชายเนอะหมอเพ็มอมนอยู่นี่ก็ได้หมอเจิดหมอมุนดาทางนี้ยังไม่คุณแมวคุณน้ำพรคนคนี้ไม่ได้ติดต่อไปไหมกลุ่ม a อเอ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 คนสองคนสามคนเดี๋ยวเขาต่างเต็มให้สี่สี่หลังผู้ชายนะที่มาแล้วมีไหมผู้ชายผู้ใหญ่ทอษาผู้ใหญ่ท่องษา้ใหษาก็นั่นแหละทีามาเ่ก่อนนนแนไปที่หนึ่งผู้ชายสี่ใช่ไมผ้ใหญ่ท่องษาหมอจำนงามคนก็ไปเอาสาเต็นอ๋อเหรอไปเอาทางไหนทางน้องนอ่ะทางนี้เต็ยังไม่เต็มมั้ง